Sam saranam gacchami, sangham saranam gaccha. ความเดิมตอนที่แล้วสามพิดาพยามารจู่โจมข้หาสมนาคโคดมแต่ถูกแสงแห่งบุญญาบรมีกั้นไว้จนกระเด็นออกมาและกลายเป็นหญิงชรา ห, หน้าตาเหี่ยวย่นท่านสามกลับมาพร้อมพญามารที่พิโรธและสั่งให้ระดมประมาณเป็นกองทัพใหญ่นำทัพโดยพญาวัชวัดดีมารที่ขี่ช้างคิลีเมฆครางนำหน้าเพื่อไปเล่ ง, งานสมนาคโคดมที่ใต้ต้นมหาโพในทันที เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปขอเชิญติดตามแลบฟังละครมิทิยุเรื่องพระพุทธเจา้ามหารลกแห่ชมพุทวีปตอนที่23ได้นะักได้ เชิญเลื่นลไปทู่ทางเ้นฟ้าและพระสุธาชิ้นนี้พขาจะมอญยุงย่งกับเรื่องนี้เพื่อปะโยชน์นกาสจะทำสิงนีและทำบาทยินสำนักบุรุมกันเต็มที่แล้วพวกเราจะทําอย่างไรกันดีท่านเท้ามหาวเวลานวิทธันภาพของข้าพเจ้ามีอาเทียบพยามารได้พระองค์อ ม, มารินยังสู้ไม่ไหวแล้วพวกข้าพเจ้าที่เป็นแค่เทพพญดา ลิเทพารักทั่วไปจะเอาอะไรไปสู้กับพญามารได้แต่พวกเรายังมีท่านเท้ามาหาพรหเป็นเทพเจ้าชั้นผู้ใหญ่ตูวข้าแม้มีบุญญาบุญมีแต่ไม่อยู่ในวิตสัยที่จะสู้รบกับผู้ใดได้ผมจะต้องรีบไปก่อนหรอกเทพจารอตลอท่านเท้ามหาพรมไปสักหงเงื่อนอย่างนี้ถูกเราก็จําต้องเลี่ยงพญามารเหมือนกันดูเรื่องสิ คนมามาด้วยฟ้าบนนี้แล้วลัะพวกข้าพเจ้าขออภัยท่านลอร์ดสนะักที่ต้องร้าให้ท่านจะาปองขอพวกข้าพเจ้าดิสสิขอมาอลิง <c oughs> ข้าดูคานัานกลัมาด้วยที่วกเจ้าต้องทำร้ายตัวคือนับวัวมีนั น, นให้ต้องโใหญต้นนั่นพูกเราพูกไปจัดการทันทีนับวัวมีริมาหากไม่ระวังพวกเจ้ า, จ เ, าเราจะเข้าไปดูดูไหม เข้าไปทางดานสายของนักบุญนั่นหยุดก่อนมารทั้งหลายพวกท่านมากันมากมายเพื่ออะไร ุดไปับเอลาบเราวกเราุดไปเลยน้าอาซูาอย่าพูดช้าเอ้ยไม่วแล้วท่าบพญามันข้าเขาไกลนกอุ่นมีได้ข้ามันมีแสงสว่างมาขวางตั้งวขอดูแสงพวกเราเหมือนธูปไฟเผาไหม้อ๋อ รลไปทางกายแล้ว่างวิญญานเฮ้ยพวเจ้าถอยไปย้าจะส่ใจเจ้าทีไม่กระอาฟังจะน่าจต้งี้อยาบย้งยงสจ้าที่ฟังนะไอ้แหลกลานเป็นครึ่เอาไปสิที่ไม่กระอยใชยุดยังทำไมายาคุสษาไม่ยอมเข้าไป แม้ท่านพยามารจะบังคับสักเท่ากลับคืนตัวไว้แ ล, วล้มวนงวงคุกเข่าอยู่ตรงหน้านักโทษนั่นดูแล้วเหมือนมันจะแสดงความเคารพสมากิว่าข้าไปเลียบมันงั้นฟันเอามาที่แม็สิ์ไว้ฉับบ้าเรื่อยทำไป่อไป หยุดก่อนพยามานวัสวัสดีถึงช้างคีรีเมฆครังจะเป็นพาหนะของท่านแต่มันก็รู้ภาษารู้ว่าควรจะทำอันตรายอาตมาหรือไม่แต่มารอย่างท่านตังหากที่ยังไม่รู้สิ่งใดไม่ละโทสัต โมหะจนลุ่มหลงสติปัญญาด้อยลงทุกทีพระเวทและบุญญาที่มีก็เริ่มเสื่อมสลา ย, ยไม่ได้มาเทศนดาได้สอนข้านับบูเดียนตายเอเจ้าต้องการลงลิธาตภาพกับข้าเพื่อสักดาใช่ไหมอาตมะไม่นิยม ช, มชมชอบในการต่อสู้กับผู้ใด งันก็จงประกาศยอมร้และลูกลีกไว้จะได้ต้นโพลลูกเอาไว้สิสมรภูมิจงลุกเอาไป ที่แท้ท่านเท้ามหาพรมปลีกองมาอยู่ที่ชายแดนพรมโลกนี่เององค์อัมรินและเทพยาดาทั้งหลายผู้ท่านมาก็ดีแล้วข้ามีเรื่องจะบ่นสองเรื่องอันใดหรือท่านเท้ามหาพรมโปรดแจ้งแก่ผู้ข้าพระเจ้ามาเถิดท่านข้ามาคิดดูแล้วว่าเราไม่น่าปล่อยให้พระมรมภูริสัตว์หรือสํำ น, โ น, โนักขุนดเพระจนมารอยู่เพียงลำพังองุ่มเดียวเลยเพราะเวลานี้มารมีกําลังแข็งกล้า ไม่น่าที่จะมีผู้ใดาสามารถต้านทานไว้นั่นน่ะสิแม้แต่พวกเราก็ยังถอดใจนี่นะแต่ว่าพอคิดไปคิดมาก็อดเป็นห่วงท่านสมณะโคโดมไม่ได้ผู้คาพเจ้าเหล่าเทพทั้งหลายก็เช่นกันหากท่านสมณะโคโดมมีอันตรายหรือพ่ายแก่มารร้ายแล้วจะมีผู้ใดตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าช่วยเหลือเราสรพพสัตว์ให้พ้นจากวัฏฏสงสารได้ ถูกต้องแล้วเทพยาดาถลายเขาจึงตัดสินใจจะกลับไปยังมนุษยโลกที่ท่านสมราคโดมประทับอยู่และอาจกำลังต่อสู้กับพญามารในขณะนี้ถ้าพวกเรากลับไปทันก็นับว่าโชคยังดีแต่ถ้าไม่ทันหรือไปแล้วช่วยอะไรไม่ได้ท่านสมรัโคโดมและพวกเราทั้งหลายก็จะถูกทำลายโดยมารร้ายในครั้งนี้ ย อ, อท่านบอกว่าจะยอมรับความปลาชัยท่านเข้าใจผิดแล้วพยามารอาตมะไม่ได้บอกท่านว่าจะยอมรับความปลาชัยนักเบือกลับหรอท่านบอกเองว่ายังไปสู้รบกับข้าพยามารผู้ยิ่งใหญ่อาตมะไม่ใช้กำลัง หรืออาวุธต่อสู้รบพุ่งกับมารอย่างพวกท่านเพราะไม่บังเกิดประโยชน์อันใดแต่อาตามะจะใช้ดวงจิตที่สงบจนเกิดสมาธิและปัญญามาถกเหตุผลกับท่านว่าเพราะเหตุใดอาตามะจึงต้องลุกออกไปจากใต้ต้นสีมหาโพธิ์ต้นนี้พราะทนี่เป็นที่ของข้าอายามาวสวรรค์ ที่นี่ไม่ใช่ที่ของท่านแต่ข้ามีพยานยืนยันจนุนมากมายว่าข้าเจ้ที่นี่ใช่หรือไม่รุดรานาและอสุรทั้งหลายใช่แล้วที่ิ่งนใช่แล้วผู้ข้าเป็นพยานให้ได้เลยเกยใหม่ สมรรถ้าจึงสงควรเป็นเจ้าของที่ที่ท่านนั่งอยู่นี่เราไม่พยานยืนยันแต่ท่านไม่มีอาตมะมีพยายนยืนยันฮอฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึึฮึฮึฮึฮึฮึึฮงฮึฮยฮึ เราตามากันนี้ตาจะเลือนไปหมดแล้วไม่มีใช่ไหมล่ะสุนท ร, มนรไม่มีใครกล้ามาเป็นพยานสักตนหรือสักองท่านจึงยอมภายมาสิสถานที่นี้เป็นของข้าพยา ม, มาลวาสประ ได้ยินไหมได้ย <pulls> <tongue> oh! ินไหมยังไปยอมลุ้ไปเลยสมนาคุรุอาอุศาอุ้ไทยไม่บุกไปเลยนะยังด้าไจะไม่ไปยังยันท้องนึน ดูก่อนมานทั้งหลายเมื่อพวกท่านต้องการให้อาตมะมีพยานให้ได้อาตมะก็ขออ้างพระธรณีที่ดูแลสถานที่นี้เป็นพยานอะไรกันเนี่ยโอสมปนาโคดมเยกไรดัชนี ท, ที่ลงในพื้นปัจุราต้งนาก็ปรากฏรางของสตรีนามนานหนึ่งสำแรกไายผ่านพื้นดินมานามัสการเจ้าค่ะข้าพระเจ้ามีนามว่าวสุนทารามีหน้าที่ปกปักรักษาพื้นที่ธรณีแห่งนี้เจริญพรพระธรณีวสุนทารา อาตามาจะขอให้ท่านช่วยเป็นพยานว่าอาตามะมีสิทธิ์ในโพธิบัลลังนี้ข้าพเจ้าวสุนทาราขอเป็นพยานยืนยันว่าท่านสมณะโคดมได้บำเพ็ญบารมีและหลังอุทกณนะสถานที่นี้โดยที่ข้าพเจ้าได้เก็บน้ําทั้งหลายไว้ในมวยผมของข้าพเจ้าจึงขอบิดมวยผมหลังอุทก เพื่อยืนยันให้แก่พวกท่านทั้งหลายได้รับรู้ว่าโพธิบันลังและสถานที่นี้เป็นพื้นที่ของท่านสมณะโคดมเพียงผู้เดียวเท่านั้นเมอัดยายปกันลกเป็นมหาเท้วเมือะช า, า, า, า, ากกระด เลดงไปเม่ได้ก็ลาทันที วดีและเหล่ามารตลาดถูกสายน้ำพิไหลาจากมวยผมของพระสุธราหรือแม่พระโทรมีดูจมลงสู่แดนบาดาลแม้พยามาจมนุ่กรขึ้นบันธารับความพราชัยก็ไม่อาจผลิบาดการไปได้แต่น้ำนั้นไม่ได้ทั่วแม้แต่ต้นสีมหาภูเป็นที่น่าอัศจรรย์ใจ ดู ก, ก่อนว่าสุนทราผู้เจริญแม้อัตมาจะเชิญท่านมาเป็นพยานแต่ไม่ได้ต้องการให้สังหารผลานชีวิตมารร้ายข้าพเจ้าขออนุโมทนาในความเมตตาของท่านสมณะโคโดมแม้เหล่ามารสมควรได้รับกรรมที่ทำไว้แต่ท่านก็ยังมีเมตตาจิตต่อพวกเขาทั้งหลายเพื่อให้เมตตาเป็นธรรมค้าจุนโลกต่อไปการกำจัดมาร ไม่ใช่สังหารหรือร้างผลาญชีวิตใครแต่เป็นการดับโลภโทสะและโมหะที่จิตใจเมื่อดับโลภโกรธหลงเสียได้ดวงจิตย่อมผ่องใสและไม่มีมารร้ายมาทำลายอีกต่อไปได้ข้าพาเจ้าวสุนธาราผู้รักษาธรณีขอถือโอกาสนี้กราบนวัสการลาเจ้าค่ะบ พว ก, รกรรรรเรามาชาไปแล้วละ่ะเทพยดาทั้งหลายเม่อความว่า เราม่ช่วยท่านสมนาโคโดมไม่ทันหรือท่านเท้าหมหาพรมไม่ใช่ช่วยไม่ทันแต่ไม่ทันช่วยและไม่จะเป็นต้องช่วยมากกว่านั่นพระสุนทรราแม่พระธรณีกำลังจ้ำแรกกายหนังสือพื้นปฏิพีจักไปทั่วทุกทิศทางต่างสมุงไม่พบความเคลื่อนไหวท้องฟ้าสว่างสดใสด้วยแสงจันทร์วันเพ็ญขึ้นสบห้าเดือนมิสาขัซึ่งเป็นเรื่องชาตาิ หรือพระประสูติการของเจ้าชายสิทธัตถะพอดีถูกแล้วท้าวโกสีในค่ำคืนนี้จึงอาจมีสิ่ิที่ยิ่งใหญ่บางเกิดขึ้นอีกครั้งก็เป็นได้ท่านท้ามหาพรหมคาดว่าท่านสมนาโคโดมจะตัดสรุ้บรรลุสัพพันยูเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช่ไหมทอดใช่พวกท่านถวยเทศทนาหลายจะทำระการใดผู้ข้าพเจ้าจะพร้อมใจเป่งวาจาว่า สี่โมงสี่งช่วยช่วยลุกด้วยสิเทวัททำไมจะเดินโซซัดโซเสอย่างนี้ ม่มีติเพราะดื่มน้ําจันทร์มากเกินไปวันนี้จะไม่ได้แต่ต้องสุลและไม่ลอยเลยไม่ได้แต่ต้องไม่ได้หยดเดียวเลยเพระเจา้าบคาสิเดพ่อแตอ่แต่อยู่ดีดีก็เกิดปอดกำลขึ้นมานด้วยหาสาเหตุไได้ไม่น่าจะเป็นเช่นนี้เพราะมีผลต้องเกิดจากเหตุหรือว่าหรืออะไรเสิเดพ่อรู้ว่าคืนนี้จะมีเหตุการณ์อะไร เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่เกินคาดคิดได้แล้วมันเกี่ยวกับข้าเทวทัตตรงไหนอ่ะอาจไม่มีอะไรเกี่ยวกับเจ้าหรือเกี่ยวพอก็ไม่อาจจะรู้ได้แต่ที่เจ้าอ่อนกำลังกายเรียวแรงหดหายอาจเป็นเพราะวุ่นวายในกาห ม, มามากเกินไปหากลดลงแล้วพักผ่อนนี่มากกว่านี้บางทีพละกำลังอาจคืนมา อาหารหวบังคมพระเจ้าค่ะพาเจ้าชายเทวทัตไปพักผ่อนในห้องบรรทมห้ามมิให้นางสนมกำนันเข้าไปรบกวนใจเจ้าชายรับด้วยเก้าวพระเจ้าค่ะ เ, เ, เจ้าปรองารข้าไปดีๆนะเนี่ยเนี่ยแล้วไปตามดรุณีที่มีฝีมือในการนวดเฟ้นรูปร่างหนา้าตางดงามสักคนมาหาข้ากระชนไหม เอ่อแต่องนูวหัวมีรับสั่งค่าสั่งอะไรจากไปทำเธอน้องฮืมวอดสละวอดหัวขาสละจ้าน พ, พระเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะออ ม, มันต้องได้ได้แบบนี้ให้ได้อย่างนี้สิ <laughs> เพียงเพลาย่ำสนธยาเท่านั้นพระบรมโพธิสัตว์ก็ทรงกำจัดมารร้ายได้ใช่แล้วองค์อมรินเมื่อทรงเป็นมาราวิชัยหรือผู้ชนะต่อมารทั้งหลายพวกเราควรถวายพระนามให้แต่จะเป็นพระนามอย่างไรดีท่านท้าวมหาพรหมโปรดเสนอพระนามหน่ิท่านข้าขอถวายพระนามม่าพระนันต์ชินราชว่พระองค์ทรงปรีชาญาณแจ้งในธรรมทั้งปูอันฐาที่สุดไม่ได้ และมีใัยชมนาญแกหมูมมบ้านข้าพเจ้าสักกาเทวราชก็ขอถวายพระนามพระอนันตชินราชนี้พระอนันตชินราชสาธุณวั น, น, นถุมยาหรื อ, อยางต้นแห่งคืนเดือนเพ็ญเดือนหกหรือเดือนวิสาขบาุรณะนี้ พระบรมโพธิสัตว์ที่ประทับบนโพธิบัลลังก์ก็ทรงบรรลุสมาบัตรแปดและทรงระลึกว่าอาตามามาจากไหนจึงได้มาสถิตบนโพธิบัลลังก์นั้อาตามามาจากริมฝั่งเนรัญชาราที่รอยทาอั น, นางสุชาดามาถวายข้าวัตถุปายา และเคยอยู่ในสำนักพุทธกดัดาบสำนักอารารดาบและให้คำปฏิญญาณแก่พระเจ้าพิมพิสารมหาบพิตรหนีออกจากกรุงกบิลพั์เพื่อบ ร, รพชาก่อนหน้านี้อาตมะอยู่ในคันเสด็จแม่สิริมหามายาและก่อนจะปฏิสนธิลงมาอาตมะสวยชาติเป็นสันดุสิตตเทวราช และทรงระลึกชาติตั้งแต่หนึ่งชาติสชาติสิบชาติยี่สบชาติจนถึงร้อยชาติพันชาติและ1มื่นชาติที่เคยเสวยพระชาติเป็นคุณังนุูนีไม่ว่ากี่ชาติกี่ภพใดก็ทรงระลึกได้ทั้งสิ้นเห็นแจ้งในอดีตภพและตัดสรุบบทเพนิวาสยานในลาตรีปฐมยามนีบทษงสรี ไรนามผู้แสดงสัจพจน์สีหเมธีปันทรัตพลเกียรติบรโชรค์สัีศิริยาภรบรการเจริญดีเปรมกมลโชติกาสเียนธานิต ศรีสินนรัตเกณินิเรเงินศรีสุพิศราพั์เจริญพิทยารักสุทธิพัฒ์อ่อนปราจรุพัฒน์เสเวตระศ์โชติกาเสเวตระศ์อ่อนวีนาเจริญพิทยารักนัทธพงศ์มัฒนบุญญาพระดิษีบวรการเจริญดีกับกับการแสดงสัจพลศรีหาเมเีอัญลัยการ